เสียงอ่านหนังสือเรื่องตื่นเถิดชาวโลกธรรมเทศนาโดยเลวตภพิคุกรมฐานาจริยะธรรมกัติกะแห่งพระเอาตอยะแปลาจากภาษาอังกฤษและเรียบเรียงโดยไอยาจิตรยานี เนื้อหาสาระของหนังสือเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด7บทคือบทที่1มนุษย์กำลังทำอะไรหน้าสบทที่สองชีวิตที่ปลอดภัยแท้หน้า59บทที่สภาษิตสของเทวดา หน้า84บทที่4ให้สิ่งอะไรหน้า106บทที่5มรณสติหน้า128บทที่6ธรรมที่ลึกซึง้งหน้า150บทที่7 อะไรที่เราต้องการจะทำหน้าหน้า186